อะไรก็จริงเมันศึกษาเพื่ออาชีพมันศึกษาเพื่ออาชีพจะสำเร็จปริญญาตรีปริญญาโทรปริญญาเอกก็จริงแต่ว่าหลักวิชาความรู้มันตัวดีอยู่ถ้าเราประพติมให้มันถึงความจริงมัน ปริญาทั้งหลายแล้วเนี่ยไม่ใช่ยาตราปริญากํานดตู้รวจกา ร, รู้ประหารคนบาเยป ร, ร, ปริญญาไม่ใกล้ว่าอืมว่จจาตัวการประหารเจดีย์ทั้งหลายทั้งปวงมันปริญญาคืออาชีพเหมือนเปรียบไปนหนึ่งอคนเรียนกฎหมายเนี่ยเนี่เรียนกฎหมายมีความรู้ในกฎหมายให้สูงให้มีความเจริญกระลาดคนนั้น ถ้าหากว่ามีความเข้าใจผิดแล้วไม่ใช่ว่าจะเรียนกฎหมายมาให้เพิ่มเติมกฎหมายให้สมบูรณ์มาเพื่อจะดีกฎหมายมันมีช่องโบล่ตรงไหนก็เอาทีสับโผรไปตรงนั้นนะก็จะแก้อย่างงั้นเรียนเพื่อจะทำลายกฎหมายไม่ใช่ทาให้กฎหมายให้สมบูรณ์อันนี้ก็เรียกว่ามันไม่มีคุณธรรมเรียนไปยังงั้นก็เรียกว่ามัน มันไม่เกิดประโยชน์มันทำลายประโยชน์ไหนๆที่จะมีประโยชน์ไปทำลายเนียประโยชน์อันนั้นมันก็ไม่สมควรอันนี้ก่อนวนกานอือไอ้ความรู้เพื่ออาชีพมันก็เพื่ออาชีพเท่านั้นอืมมันเป็นโรภียวิสัยมันก็หมุนไปตามโรภีอยู่เสมอมันเรียนไปเพื่อความจำมาพูดกันมาทำกัน ทำกับพูดพูดไปอย่างการกระทำก็ไปอย่างจิตใจก็ไปอีกอย่างเป็ข้าจะพูดจะเธอดีๆแต่ว่าจิตของข้ายังเป็นขโมยอยู่เพื่อจะเงี้ยงัดอะไรต่ออะไรยังมีความปกปิดความชั่วของเจ้าของไว้ในใจไม่ใช่ว่า คือเอาความชั่วมาประกาศเปลี่ยนไอ้ความดีนันก็ไปไม่ไห้ไม่ได้มันก็เป็นโรคเพราะนั้นมันถึงยากลาบากอยู่การบวชคือปราดทั้งหลายท่านว่ามันจะผิดหรือถูกนั้นเราก็ต้องฟังเราก็ต้องตั้งใจฟังฟังเราทั้งมันถูกมันผิดนะแหละ ที่เรามีปัญญาฟังแล้วมันไม่คิดไม่ถูกหรอถ้ามันไม่ถูกเราก็เก็บไว้เพื่อปจาจนาส่วนจะละมันออกไปเชียถ้ามันถูกเราก็นำไปปฏิบัติเพื่อบำเพ็ญให้ความสมบูรณ์เกิดคุในสุวะ้องเจ้าของมันก็เกิดประโยชน์ฉะนั้นอันนี้โดยมากมันก็นื่ว่ามาบวชกัน โดยมากใครรักาธรรมจะมาบวชกันเห็นว่าอยู่ในโลกมันยุ่งยุ่งแต่มันยุ่งเพราะการงานทุกสิ่งสารพัดมันยุ่งนึกว่าจะเข้ามาบวชแล้วมันก็จะสบายสบายเพราะจะได้นอนสบายสบายกินสบายสบายสบายไม่จงไปทํา ง, งานอะไรทั้งทุกอย่างมันก็สบายเข้าใจว่ามาบวชพักผ่อนเมื่อมาถึงที่นี่แล้ว ถึงเวลาจิตเจวัตเกิดขึ้นมาที่สูงจะต้องทํากันเ้าก็ต้องทำํำเราก็เห็นว่าเราบวชมาพักก่อนกันไม่ต้องไปทําอะไรกับเา้ามันคิดเห็นเป็นอย่างนี้ใช่ไหมครูบาอาจาจรย์สอนว่าให้ทําการงานจิตเจวัตตอนเชา้ามาก็ไปจับขึมาตอนเย็นก็บวชให้อุปชาจะต้องลำบากสอนไปตั้งแต่นะโมอืมตลอดทุกคำไม่รู้เรื่องนี่ไม่ มาบวชตัวจงมาศึกษาการบวชเนาะหน้าที่ของอุบาสกหน้าที่ของสามเณรหน้าที่ของพระให้รู้พอสมควรอืจึงจะไม่นากกหนักใจกับอุปัชฌาย์อาจารย์ยังไงบางทีนี่จึงบวชกันมีเหตุผลพอสมควรยังไงบางทีมันก็ยังคุมไม่ไหวใย่ไหมไอ้คนไม่รู้มันก็ไม่อะไรเนาะอย่างคนซื่อตามบ้านเราเนี่ย เราบอกว่าท่านจงทําไม่มีนะเขาก็ทําไปอมท่านจงจะทําอย่างนี้เขาก็ทําไปตามเรื่องเรอค ร, รับขอพราะว่าเอะควางคารุบูบาอาจารย์กระทำไปย่างนั้นมันก็ง่ายขึ้นแต่เรื่องนี้มันมีเหตุผลกันมากอืมทํามานี้เพื่ออะไรอืมโูดอย่างนั้นเพื่ออะไรเรามันมีปัญญาดนะิ่งปัญญาอะไรอะไรมีเหตุผลกันถึงนั้น อะไรก็ไม่ต้องทํางานอะไรกันจะท่องมาถกเถียงเหตุผลแตนในมันชอบซะก่อนที่นี่ถ้าควรหากว่าไม่เป็นธรรมนะมันจบตรงที่ตรงไหนนะอืเลยไม่ได้ทํางานอะไรกันเนี่ยถกเถียงเรื่องเหตุผลกันตลอดเวลาท่านั้นนยุ่งไม่ต้องทํำทานง า, านอะไรอย่างเงี้ที่นี่ไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่อย่างนั้นที่นีเต็มว่าเราจะไม่สอนมากอืมเราสอนเพียงว่า เป็นวัดกระโถนไว้นี้มันตั้งอยู่นี้อีกสองนาทีก็แล้วให้ท่านยกกระโถนใบนี้มาตั้งใบนี้เมื่อตั้งลงแล้วอีกสองนาทีให้ทำยกกระโถนใบนี้มาตั้งไใบนี้เมื่อตั้งนี้แล้วอีกสองนาทีมาให้ท่านยกกระโถนใบนี้มาตั้ ง, งที่ท น, ท น, นี้เท่ า, านี้น่นะเออไม่ต้องถามหาเหตุผลมาเลยไม่ต้องถามหาเหตุผลมาเลยอันนี้มันจะนั่นี้มันเป็นเหตุผลอยู่แล้วเนี่ย แต่เมื่อทำครั้งแรกก่ะใจของคนเราก็เลยมันไม่เกิดประโยชน์อะไรยกกระโจนไปนี้มาตั้งที่นี้ยกที่นี้ไปตั้งที่นี้ข้อนี้มันจะมีเหตุผลอะไรตรงนี้แหละตรงที่จะให้เหตุผลเกิดขึ้นมาให้เรารู้จะพอดตใจของเราล้วเราเห็นว่ามันไม่มีเหตุผลก็เพราะเราเข้าใจไม่ถึง เราเข้าใจเหมือนถึงเช่นว่าบุรุษบุรุษสีไฟมี ม, มีไม้ไผ่สองซี่อืมนี่ก็ไอ้ความเป็นจริงน่ะธาตุไฟมันมีอยู่ในไม้ไผ่นั่นเน่ะอืมอ่าบุรุษนั้นเอาไม้ไผ่นั่นมาสีไฟเขาอืมจนกลัวให้มันอุ่นขึ้นให้มันร้อนขึ้น จนมันร้อนจริงๆซะอืจนมันเหนื่อยร้อนไปเกิดเป็นไฟขึ้นมาเกิดเป็นควันขึ้นมาเมื่อควันมันเกิดขึ้นมาแล้วมันใกล้จะถึงเป็นไฟแล้วนะอืผู้ดูนะก็สีทะไปเรื่อยๆไฟมันก็เกิดขึ้นมานี่มันมีไฟอยู่เงี่ยทำไมชาดกันนั้นไอ้ที่นี้สัทธาระไม่ถึงไม่พอถ้านมีไฟอยู่ตรงนี้มีนะอืมดูเอาไม้ไฟสองซี่มาสีกันเทาไฟนี่เนื้อไฟมันเกิดผู้ดูท่านได้ยินยังงั้นก็ เอาไม่ไฟมายากจะได้ไฟในทิศทางเราว่าสี้ไฟชี้ไฟสัตปรียวแต่น่ะความเกลียดพานในความลำพานต้อเกิดขึ้นมานะมันยังไม่ร้อนเลยอืมก็ลึกใจลำคาญใจอดทนไม่ได้เนื่องเปลา่าอืมก็เรียนว่าไฟหนึงจะเลยอยู่เนี้ยไอ่เพราะว่าอความร้อนมันยังไงสมรุ่นกันความร้อนมันยังไม่พอไฟมันมต้อนยังเกิ บุรุษนั้นก็เข้าใจไปแลนะ้วอยากจะให้มีไฟเร็วๆล้วไหนื่อยเราลองทานอะไรแล้วนี่เนี่ยอืมก็หยุดจากการสีไฟนั่นแหอืมเนี่ยเพราะว่าอะไรก็เข้าใจว่าไฟไมันมีไอความร้อนมันไม่สมรุนกันมันก็ยังไปเกิดไฟเราคิดไม่ถึงไอการไอความเพียรเขานั้นไม่ถึงแค่ใ น, นกระต่อยตุละอันั้นเพิ่มไฟนะอืมอันนี้บาป ก, ก็ไม่มีนีบุญก็ไม่มี มักผลมิพานก็ไม่มีทนดีได้ดีทำชั่วในชั่วเราก็ไปทําดูแล้วบางคนทําชั่วได้ดีก็เยอะไหมบางคนทําดีแต่ชั่วกวเยอะไหมบางคนทําอะไรก็ไม่ได้ยังไงนะอันเนี้ออันนี้คือเรารู้ไม่จริงอันนี้กิจมันไม่มีสักถานก็ปล่อยว่เนี่ยมันทนไม่ไหวคือทุกมาแหละบริสีไฟมันทุกทุกเกิดขึ้นมาของวารของพาน ทำสอนพระพุทธเจ้าการสอนกลับกันแล้วทุกข์ก็จะนั่นแหละคือทุกข์ทุกข์นั่นแหละจะทําให้คนเปิดปัญญานอกจากทุกข์ไปแล้วไม่ให้คนเปิดปัญญาทุกข์นั่นแหละให้เกิดปัญญาเมื่อทุกข์เกิดขึ้นมาแล้วมันจะเด็กคิดอืมอ ม, มันจะเด็กคิดมันจะเด็กพิจารณาหาความจริงมันอืมผิดไอ้พวกผิดนั่นแหละมันจะทำให้ผูก ไอความผิดมันจะทำํำผิดเมือ่มอเห็นผิดแล้วมันก็หยุดกลับใหม่มันก็ถูกเมื่อถูกกันแล้วมันก็กำจัดผิดออกไปแค่เขาไปคิดอย่างนั้นเขาคิดว่าเหมือนสวิตไฟฟ้ามาทํากันมาฐานแล้วจะกดสวิตมันคับมันจ้าเป็นมาอะไรนี่เขาตอบใจอย่างเงี้ทีนี้เมื่อเขาจะปิดมันก็จะปิดสวิตไฟฟ้ามันก็ับทับนี่ เขาชอบกันอย่างนี้อันนี้มันเป็นความเห็นของคนงูเป็นความเห็นของคนมีตัณหาเป็นความเห็นของคนหลงไม่อยากทำเพียงเลยไม่อยากทำศีลไม่อยากทำสมาธิไม่อยากทำปัญญาไม่อยากจะอดทนไม่อยากอะไรก็อะไรทั้งนั้นน่ะถ้าอยากจะได้เฉยมันตโนกจากคำสอนพระพุทธเจ้าของเราคำสอนพระพุทธเจ้าของเรามันมีเหตุ เย่ทำมาให้ตุปปาวาทำทั้งหลายมันเกิดเพราะเหตุเมื่อมันดับเหตุมันก็ดับก่อนเมื่อเหตุดับแล้วผลก็จึงดับอันนั้นเขาไม่ต้องการเหตุเขาจะทําให้มันเกิดขึ้นอืมนะตามใจเพราะว่าอันนี้มันไม่ได้ธรรมะมันแก่ตามใจคนทผิดธรรมะมันต้องอืมเป็นสภาวะผี่ถูกต้องถ้าทําที่ถูกต้องแล้วไม่ต้องมาคัดมัน ถ้ามันถูกต้องละแต่ความถูกต้องมันจะเกิดขึ้นมาเองอมมีความถูกต้องทุกอย่างการกระทำที่ถูกต้องอืมการพูดที่ถูกต้องการคิดการพูดที่ถูกต้องแล้วมันก็ไม่มีปัญหาอะไรเกิดขึ้นมา mm. นถ้เาเราคิดอย่างนั้นฉะนี้เขาจะมาปรุงเอาเขามันจะแต่งเอาให้ตามความอยากของเขานั่นเองนะอ่ะ ม, มันก็เป็นไปได้ยากแค่นั้นการบวชที่นี้มันก็เรียกว่าอืมบวชกันให้มี เพศผลนี้ยสักนิดหนึ่งอืมจะบวชสามเดือนก็ต้องมาปรึกษากันอือสมควรว่าบวชอะไรเพื่ออะไรบวชมานี่มันไม่ได้อะไรนะออมันได้อะไร ไ, ไอคนที่งโง่มันก็ไม่อยากจะทิ้งของชั่วจะชอบปิบของชั่วไว้ในใจเราเนี่ยอไอทัศนมาช่วยเปิดออกช่วยเปิดให้เห็นความชั่วเปิดเห็นความผิดอือเนี่ยเนี ไอ้ผู้ตุชนคนหนาเราช่วยผิดความชั่วช่วยผิดความผิดความตัวไรไม่ให้ใครรู้เนี่ยมันต่างกันอย่างนี้นคนมีจิตดยุดกันหาอยู่มันก็ต้องเป็นอย่างนั้นฉะนั้นคนที่บวช ด, ด้วยศรัทธาท่าที่เรียกวศรัทธานี่ยังก็พูดจากเหมือนกันอีมวอนเชื่อือก ม, ม, มีความเชื่อถือในสิ่งนั้นมีความเชื่อถือในสิ่งนั้น ที่เห็นว่าชอบแล้วใชไหมได้ที่เห็นว่าชอบแล้วเมื่องการต่างๆเรื่อนี้เราจะต้องทําอยู่ซะก่อนนั่นจะต้องทำอยู่ซะก่อนในการกระทําทของเรานะั้นเช่นว่ายากกระโถนไบนี้ไปโน้นจากกระโถนไปนี่กลับมานี้นี่ตอนไม่ต้องทําอะไรเราแค่ทานี่ก่อนเถอนะน่ให้คพิ่มความอย่างนี้มันจะเป็นยังไงต่อไปยาถามเานี่ยเรื่องนี้เรื่องนั้นเี่ยังไม่ไม่ควรศึกษา ให้ท่านศึกษาว่าเอากระสุนมานี้มาตั้งนี้เดียวก็ยกไปนั่นนี๋ก็จัดมาตั้งนี้นี่หน้าที่ของท่านอย่าพึ่งถามไปเช่นบุรุษที่หิวข้าวก็อยากจะทานข้าวก็มาทานข้าวทานไปเรื่อยๆอย่าไปนึกถึงเลยเมื่อไรมันจะอิม่มเมื่อไรมันจะหายดิยวเนอะอันนั่นอย่าพึ่งมันเลยให้ท่านบริโภคทานอาหารนี้เรื่อยๆเลยฮะอืมย่าไปเพื่อเอาอนาคตนันมาใส่มันเลย การทานข้าวของท่านไม่หยุดนี่เองมันจะพบความอิเดี๋ยวมันจะพบความหายหูวของท่านขอให้จะท่านอืมทานอาหารนี่เรื่อยๆไปสักนั้นพอแล้วอแล้วต้องถามมาเมื่อไรพบจะอิ่มเสด่อไรจะหายอยู่อันนั้นไม่มีปัญหาเนี้ยอือทาไมมีไม่มีปัญหาการกระทำเช่นนี้ยการบริโภคนี้นะอือนะ มันจะเป็นเหตุให้เธอเนี่ยรู้จักการพอรู้จักการอิ่มให้มีความหายหิวกระหายในการบริโภคอาหารนั้นได้เมื่อตองไปกังวลในเมื่อไรเขจะอิ่มเมื่อไรเขจะหายหิวอันนั้นไม่ต้องแล้วการกระทําเช่นนี้มันจะบอกเองบรมิโภคก็นั่งทานอาหารไปเรื่อยไปยแค่นั้นเนี่ยที่ท่านไว้เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความทุกข์กัน ใช่อไมให้เกิดความทุกข์ไมให้เกิดความทุกข์ถ้าความทุกข์มันเกิดขึ้นได้มันก็หมายความว่าเราอยากได้สิ่งที่เราต้องการถ้าไม่ได้แล้วก็กถ้าไม่ได้แล้วก็ทุกข์เท่านี้เองไอความอยากจะได้นีน่มันเป็นตันหามันเป็นตันหะแขนงห น, นึ่งเกิดมาจากความหลง่ะอืคิดว่าต้องการอยากจะได้ คือที่มันได้ในทางพุทธศาสนาได้ได้เกลือแรไม่ใช่ได้แบกไว้ถ้าแบกไว้มันหนักมันได้คนในอย่างจะชื่อมันนันเดียวกันต้องการอยากจะถึงความสงบอยากได้ความสงบถ้าอยากได้ความสงบนั่นนะมันต้องวางนะอยากได้ความเบามันต้องทิ้งคอมไม้ที่เราแบกไว้ที่หนักเนี้ยเมื่อเราเมื่อเราทิ้งมันไปมันก็เบา นี่เรียวว่าอยากได้ความเบานั่นก็สงบอยากได้ความสงบเนี่ยไอคนเราเดี๋ยวนี้มันไงเงีมันอยากได้มันเอามาแบกไว้ก็เอามาแบกไว้แต่มันอยากได้เบาอืมไม่อยากจะให้มันหนักแต่อยากจะแบกอยู่นี่มันเป็นปนัญหาอย่างนพระพุทธเจ้าตอนนีน้ปฏิบัติเพื่อความสงบเพื่อม่ให้แบกไว้เนี่ยก็เพื่อให้วา ทำที่ว่าแบบเนี่ยคือตัวอุปทานเนะี่ยมันยึดทางใจไว้มันยึดไว้ถ้าเนี่ยทําไปเมื่อหากว่ามันทุกเกิดขึ้นมาท่านจะรู้เขาทุากันนั้นอย่าตัดินาว่าไม่มีใครเป็นเจ้าของทุกอืมแต่รู้จักทุกแต่เราไม่เป็นเจ้าของทุกอาการทุกมันก็มีอยู่เห็นว่าทุกอันนี้มันก็ไม่แน่มันเป็นอนดัจังทุกขังอ น, นัตตาอย่างนี้ มงินก็ระลายเป็ น, นตัวหมดนะมืม่มีความสุขอาการสุขเกิดขึ้นมาแล้วเราพิจารณาว่าเจ้วของสุขไม่มีเทศสุขสุขนี่มันก็ไม่แน่สุขนี่มันก็ไม่เที่ยงมันแปลเปลี่ยนไปชิงทั้งสองอย่างนี้มันไม่คงเส้นคงวาอะไรแต่ว่าอาการที่มีสุขอาการที่มีทุกข์นั้นมันก็มีอยู่ แต่มีนอกใจเราอืมแต่เราไม่ไปแบกแคไม่มีใครไปเป็นเจ้าของสุดอันนั้นทุกอันนั้นเพราะเป็นเจ้าของนั้นไม่ได้ถ้าไปเป็นเจ้าของมันก็จะทุกเพราะอันนั้นมันไม่แน่นอนวันนี้เราชอบใจพวกนี้ไม่ชอบอีกแล้วมันเป็นอย่างนี้เราจะไปยึดอะไรมันทําไมมันมีมาแล้วก็รู้มันซะเมื่อเรารู้มันเช่นี้ปัญหาต้องจหมดไปมีปัญหาจะน้อยไป อือาการโบทุกข์อะไรแถวนี้แล้วก็ไปวิ่งกันมั้ส่วนโรกีมีสายมันก็อยู่ยงั้นได้ด้วยนะอันนี้มันมีอยู่แล้วแต่เรายังไม่เกิดมันมีอยู่แล้วให้เราศึกษาอย่นะี้ไม่ว่า ม, มันจะมีอยู่ที่นี่ตัช่างมันมันจะอยู่ที่อื่นกัวช่างมัน อ, อมมนือย่างความสงบเนี่ยอย่างความสงบเนี่ยอยู่ในป่านี้นะมันไมกลายอยู่เว์ตากงจากเรามาบําเพ็ญธรรมเนี่ย เสวงหาไกายย่เวอกออกมาอยู่ในป่าโรที่วุ่นวายออกมาอยู่ในป่าไม่ใช่ว่าเราอยู่ในป่าแล้วมันสบายแล้วก็แล้วกันแล้มาฝึกให้มันมีกำลังขึ้นเราจะต่อสู้ขีดทั้ทงหลายเหล่านี้เพื่อทำกำลังขึ้นมาเพื่อให้มีปัญญาพอมีกำลังพอที่จะต่อต้านโลกคืออารมณ์ที่มันผ่าน ตาหูเจมูฟรีนกาจิตตะอยูเสมอมันมไม่ใช่ว่าเราหนีมาเพื่อความโง่เราหนีมาเพื่อความฉลาดไม่ใช่เราหนีโลกมาอันนี้เรามาศึกษาโลกให้รู้แจ้งเพื่อเป็นโลกคิตูต่างหากว่าอืมไม่ใช่ว่าธรรมะเราชอบอย่างนี้มันก็เป็นธรรมะที่ถูกต้องแล้วเ้าไม่ชอบอย่างนั้นมันก็เป็นธรรมะที่ถูกต้องแล้วไม่ใช่อย่างนั้น มไม่ใช่ครับในธรรมะนี้มันเป็นความจริงมันตัดกระแสกับมันนีเรื่อยๆไปมมันจะตรงมันจะตรงไปตรงมาเรื่อยๆมันจะขึ้นต่อจิตใจของใครทั้งนั้นน่ะมีแตใจของบุคคลไปขึ้นต่อธรรมะอันแท้จริงคือความจริงอืมอย่างนั้นจริงอืมบวชจึงให้มีความหมายเนี่ยเพราะสมควร ตัววันนี้ดูดิโยมก็ดูทีว่าคนทุกข์เพราะอะไรคนทุกข์เพราะไม่มีของเนี่ยดูดิเนี่ยเนี่ยทุกข์เพราะมันไม่รวยเนี่ยเนี่ยแล้วโยมดูต่อปีะ่ะไอ้คนรวยเนะี่ยมีสุขไหมมันหมดทุกข์อะไรหรือ ย, อยังนี่มันเห็นเห็นกันอยู่นี่โยมเคยเห็นไหมคือทุกข์กับสุขนะหรือทุกข์กับรวยเนย ะจะมีความสบายได้ไม่ใช่ว่ามันขึ้นต่ออะไรมันขึ้นต่อความเห็นถูกแลนะ้วนั่นถ้าเรายังมีความเห็นผิดอยู่มันจะเป็นมหาเศรษฐีมันกว่าทุกมันจะเป็นคนไม่มีมันกว่าทุกถ้ายก็ตายเนี่ยตายมันขึ้นต่อใครมันขึ้นต่อคนแก่เ น, นีเ่ยหรือคนมั น, นมใช่ เนี่ยมันคนไในยามกันมันคนไในยามกันเด็กก็ช่างมันคนแก่ก็ตามมันมันคนไในยามกันอืแก่มันก็ตายได้เป็นเด็กมันก็ตายได้คนจนมันก็ทุกได้ไอ้คนรวยมันก็ทุกได้เนี่ยมันเป็นเช่นนั้นไม่ใช่ว่าเด็กไม่ตายง่ายแก่ก็ตายเร็วนี่โดยปริยาอย่างเนี้ย ออันนี้มันเป็นของไม่เน่หมือนกันแต่ความทุกขมันแตกต่างกันเท่าจนั้นใช่ทุกแตกต่างกันเช่นว่าเช่นว่าไอ้ไอ้ก้อนนี้มันเป็นก้อนหินธรรมดานะขนาดโยมก็แบกเต็มแรงของโยมเลยนะโอ้หนักถ้าจะมาเออแบบนี้ไปส่งที่นวัดเนี่ยโอ้ผมเอาไปไม่ไหวเลยน ะ, นะถ้าวา่าเป็นก้อนเพชรขนาดนี้โยมแบกออกจากวัดเอาไปเถอะอ <c oughs> นะอันนั้นก็ทุกพอทุกควรเลยแต่ว่าโยมชอบใจนะโยมจะอุตส่าห์แบกเลยให้แบกได้ก็แบกแล้วเสียก่อนเพศยก่อนนี้แม่โยมจะจองกับคนเดียวเลยนะแบกไปจนกว่ามันหลังจะหักจะพังกนะ็จ ะ, จะแบกถูกไหมทุกแต่ว่ามันพอใจที่จะต้องทำํำนี่ถ้าอะไรอะไรเลยเราไม่ชอบเราไม่ถึงขนาดนั้นคนระับแม่สักห้าหกกิโลนี่โยมก็ไม่ ไม่ก็ไม่ต้องการมั้นผมหนักผมอะไรต่ออะไรตาวะเป็นก้อนเพชรใะโยมเอานี่ครับโยมจะไม่อยากใครมาช่วยมันจะแบ่งมันจะเป็นมีส่วนแบ่งแต่ว่ามันหนักเท่ากันความทุกข์มันจะหน้าหน้าความทุกข์มันจะจะต่างกันอืมต่างกันนี่เพราะว่าก้อนเพชรกับก้อนหินธรรมดานั่นแหลมน้ําหนักมันก็จะเท่ากัน่ะอือแต่ธรรมชาติมันเอาของไป ใส่เข้าในที่นั่นนะใส่ก้อนเพชรนั่นอนะ่อันอันหนึ่งเอาไปใส่ไปในธรรมชาติไปใส่ไปในก้อนหินต่างกันมันเป็นเๆนั้นน้ำหนักเท่ากันแต่มามันมันหนักกว่กันเพราะมันเป็นที่กิดของโยมแล้วนะก้อนหินไม่มีราคาห่างก้อนเพ็รมันมีราคาย่อมกว่อบนะหนักก็ทุนอยู่ที่กิดไปกลมรับใช่ไหมใช่ไปยึดมัน อุปทานมั่นหมายมันอืมอื ม, อมจะเขาชอบใจก็อยากได้มากาเขาไม่ชอบใจนิดน้อยก็อ้าวฮะยาวไปผมมากเลย <c oughs> ทำไมลไ้ะ <c oughs> มันก็เป็นอย่างนี้เรื่องของธรรมดาที่ธรรมชาติของมันก็เป็นฉะนั้นเราจะมาพิจนารณาอย่นี้คือว่ามันปลุกจิตใจของเราให้เปลี่ยนให้เปลี่ยนจากสภาพอันนั้น พิธีของคนเรานี่มันก็เอาออกอยากเหมือนกันนะนะเอาออกอยากขึ้นพูดง่ายๆมาโยมกออยลังสร้างบ้านสวยเสร็จมาสักประมาณสักเดือนหนึ่งกำลังขึ้นอยู่แดีมีพ้ามีพระเดินไปดไมีใครเดินไปโยมบ้านหลังนี้รือซะเถอะ จองคนนึกว่าอืมเขาจะพูดเพราะนี่ น, นะตั้งแต่ชวนบาน้านหลังนี้รื้อเถอะทำไมมันไม่ใช่ของเราคือมาทริงโยมก็จะเชิญเ น, น, นี่ยจนกว่าไอ้ไอคนคนนีน้จะให้เหตุผลในโยมรื้อบ้านหลังนีน้จะหาคนอย่างไรมามาพูดให้โยมเข้าใจจนมีศรัทธารือบ้านหลังนี้อ่ไดม นี่ทิฏีมานะของคนนี้มันยิ่งกว่านั้นอีกหลายกลับหลายกันมันก็ยังไม่กา้เปลี่ยนแปลงเท่านั้นน่ะมันยึดมั่นอยู่ฉะนั้นทิฏฐิทีฏฐิมานะของคนเนี้ยมันเป็นของยากระเบิดภูเขาดูกโตๆมันก็เร็วกว่าอืมีกเขาผลหินนไปขายเนี่ยยังไม่กี่ปีมันก็หมดภูเขาไอ้คนนี้ก็มันเอาออกยากอ่ามันไม่ยอมละอันนั้น ทิฏฐิอันนั้นมันฝังอยู่ในนั้นมันไม่เห็นเมื่อปัญญาไม่ชัดไม่รู้แจ้งเมื่อไรก่กนโยมก็นึกดูกแลกัแล้วกันถ้าใครมีใครมาชวนรื้อบ้านโยมจะคนดูไหมแต่คนจะมาชวนรื้อบ้านน่ที่มีเหตุผลเพียงใดเราจริงจะรื้อบ้านตรงนี้นอันนี้อันนี้มันจะหนักหรือเบาเราก็ต้องไปเท น, นาดูเรื่องทิฏฐิอันเนี้ยทิฏฐิมานะที่เราถือไว้เนี่ยที่เรายึดไว้นี้่ว่าตัวเราว่า น, นี่ของเรา ทั้นี้นะไม่จริงไม่จริงง่ายๆจนกว่ามันจิตนี่มันจะฟังธรรมเป็นหินมันเปลี่ยนที่หน้าเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนปเปลี่ยนไปอืมเปลี่ยนไปจนกําหนดพิจารณาเห็นชัดเจนว่าอันนี้ไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของของเราจริงจริงวัดนี้คนคนนั้นจึงจะพยายามละอันนั้นตีละน้อยแต่นอ น, น, อนจนกว่ามันจะหมดตั้ง เมืร้าได้กิจมันก็เปลี่ยนไปสูงขึนไปด้ว่อยๆเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนกลัวจะเห็นว่านี่ไม่ใช่ตนไม่ใช่ตัวไม่ใช่เราไใจของของเราเนี่ยมันก็เห็นในยากเห็นในลำบากบางคนยังไม่ฟังช่างว่านี่ไม่ไม่ใช่ตัวเรานะนั้นัใจของเรานะ่ยังไม่ได้ยินน่ะมือว่าอะไรก็นเลยยนเฉยใจมันเข้าไปรยึดจิตไม่เข้าไป มืนธรรมะทนจะวเป็นของซึ่งต้องใช้ปัญญาอืมปัญญานน้ปัญญานี้บางคนก็มีบางคนก็ไม่มีมันสาเหตุมาจา ก, กาปัจจัยอืมปัจจัยมันน้อยอืมเหตุมันน้อยในปัจจุบันในอดีตอดีตที่เป็นมาแล้วบิบาทมันถือว่าดีเอืมเป็นกรรมเป็นกิเลสในประเตินบิดา ที่เราสร้างสมอบรมไวในอจิตการบางในปัจจุบันมีบางมันน้อยคือเราไม่ค่อยๆได้ศึกษามาันเช่นว่าถ้งในพิจารณาเรื่องกรรมาฐานนี่ครัะกรรมฐานเกสาโลมานะคาตันตาส า, าจงนั่งตนไม่เห็นง่ายเพราะเราไม่ศึกษามาันบ่อยเรามีความรู้สึกมึดคิดอยู่บ่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจริงๆเรื่องเป็นอนิจจแล้วก็พูดถึงอนิจจ์แต่ความจริงน่ะ พูดแต่ปากมันเห็นชัดปัญญามันไม่เกิดอืมเรื่องปัญญามันจะเกิดถ้าต้องหนึ่งในฟังสองได้คิดสามในภาวนาสามระดับนี้ไปตอ้องติดตามเราอยู่เสมอนั่งอยู่เดินอยู่นอนอยู่ทำอะไรอยู่ก็คิดเสมอให้เป็นวิริยารังพระปลาและความเพียรอยู่เสมอนี่เพื่ออันนี้เป็นเหตุ เช่นว่าผู้ที่มีนิสัยปัจจัยอันใกล้กับการรู้ทำแล้วแต่อยู่ห่างไ ก, กลนักปราชญ์ห่างไกลครูบาอาจาราย์ห่างไกลผู้แนะนำธรรมสอนนิสัยอันนี้อาจจะเนินชาไปก็ได้อืมเนินชาไ ป, ไปได้ผู้ที่มีนิสัยปัจจัยอันเนินชาแต่ว่าใกล้ผูบาอาจารย์ปราชญ์บัณฑิต ท, ทั้งหลายที่จะนี้นํางํารสอนอยู่อย่งเมืองไอ้คนคนนี้อาจจะไปก่อนได้ ม, มันห่างใกลกันมันมันมันเป็นเพราะอันนี้อันนี้เทเนวีบาตวิปากาธรรมะการสมาคมมีส่วนอาการครบค้าสมาคมมีส่วนมีมีส่วนที่จะหลงมีส่วนที่จะโลมีส่วนจะให้เหตุผลเราด้วยไปอืเช่วนว่าเราคิดดริงก็ได้ นะเรื่องสมาคมทางนอกเราทำให้กลมเกรียวสามะคีกันถ้ามันกลมเกรียวสามะคีกันพี่พีน้องๆในชนบทนั้นก็นนนจะเจริญขึ้นนี่ส่วนห น, น, นึ่งยืนเดินนั่งนอนปราศจากควาพทุกบิินนะ้ำไฟลมนะมีสมรรถภาพสามะคีพอดีซึ่ง ก, กันและกันแลวก็ําให้ร่างกายของเราคล่องอยู่สบาย ไม่ปวดหัวตัวร้อนเราเทียบมาในจีวันเี่ยนเยข้างนอกก็คือกลุ่มข้างนอกข้างในก็คือกลุ่มในกายจิของเรามีดิ้นน้ำไฟลมนี้ถ้าหากว่าลมมันมากน้ำมันน้อยอืมน่ะไฟมันมากดินมันน้อยอะไรเนี้ยไม่สมดุลกันมันก็เรียกว่ามันจะเกิดปัญหาขึ้นมาทีเดียวนี่เรี๋ยวว่ะอ่าสมาคมข้างนอกสมาคมข้างในอาศัยความสปมันทีสิึ่งกันในกันอืมอันนี้เป็นเหมือนกัน ไอ้ส่วนความรู้สึกนึกคิดก็เหมือนกันถ้ามีความพร้อมสมรุ่นบริบูรณ์เป็นสมาทิฏฐิขึ้นมาในใจเราเมื่อใดแล้วอันนั้นมันก็เป็นความสมบูรณ์ขึ้นมาในธรรมะความสงบมันก็นเกิดขึ้นอย่างนี้ทั้งนี้ว่าเขา อ, อินทาเราเราก็เสียใจเขาเชิญเสือเราเราก็มีใจเนี่ย เมื่อโยมเป็นอยู่เช่นนี้มันก็อืวิ่งกับสุขวิ่งกับทุกข์วิ่งกับความดีใจวิ่งกบับความเสียใจอยู่ตลอดกาลอันนี้มันก็เป็นโลกโยมก็วิ่งอยู่กับโรคตลอดเวลาเอกวัตต์ตักสงสารเป็นวัตตาวนมีความสุขแล้วสุขหายไปทุกข์ก็เกิดขึ้นมาตั้งอยู่เมื่อทุกข์ขึ้นมา ตั้งอยู่แล้วสุขมันก็หายไปอืมเมื่อสุกหายไปแล้วทุกก็เกิดขึ้นมาโยมก็จะไม่เป็นตัวของตัวเรืตลอดเวลาโยมจะตกนรกอยู่บ้างไปสวรรค์อยู่บ้าง อ, อยู่อย่างนี้ตลอดเวลาไม่จบเลยเมื่อใดมันจะจบมันจบที่โยมมีความรู้ฉลาดมีปัญญาขึ้นไปกว่านั้นอีกว่าสุข เืดทุกอันนี้นะอันนี้แหบะเป็นโลกอันนี้มันเป็นอารมณ์ถ้าเรารู้ว่ามันเมื่ อ, อไรว่าไอ้ไอ้สุกนี้มัน่อไม่แน่นอนทุกนี้มันก็ไม่แน่นอ น, น, ม, น, ม, น, น, อนมันเป็นอนิจจังเป็นของไม่เที่ยงไม่คงสอบคงวาถ้าโยกเห็นเจนนี้เลาเข้าไปยึดมันก็เป็นทุกข์ เพราะมันมีที่ืมเพราะมันเป็นทุกข์อันนั้นจะเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนเราเขาถ้าเราเห็นเช่นนี้โยมก็จะบรรเทาบรรเทาความทุกข์ลงได้เพราะว่าวันนี้โยมจะเนี่ประสบทุกข์เมื่อวานนี้โยมเคยประสบทุกข์หรือสุขป่านกันมาอยู่มันก็คนคนเดียวนั่นแหละ เด๋ยวยต้ให้โยมรวมกันมาในยโยมกำลรวมกันทํามาโยมับถ้าโยมเห็นว่าสุขกับทุกนี่มันคนในส่วนมันมีราคาต่างกันสุขมีราคามากทุกไม่มีราคาเลยถ้าโยมเห็นเช่นนี้โยมก็เดี๋เป็นทุกเหมือนกันก็ถูกรูปสอนเขาอยู่ด้วยไหมไม่มีทางสงบทุกทั้งหลายเหล่านี้แหละจะมาพวนโยมให้โยมกลับพิจารณาอืมกลับพิจารณาเช่นว่า น้ำเราไปตามน้ำทีทา่ายังไม่ได้บ่งมันออกโยมก็เดินไปบางทีมันก็มันเจ็บบางทีมันก็เจ็บมันก็ยอยมมันก็รดำพานดำพานเีอยวมันจะกิดอยู่นั่นแหละโยมจะดูที่แค่จริงก็จะก็เพาะอาการอย่างนี้เมืกอวันหนึ่งโยมไปโยมจะไปหาหมอดูว่านี่อะไรอยู่ตรงนี้นดูให้ถนันตา ด, ดูให้ดีซะ จะเห็นนามอีกตรงนั้นเนื้อบุ่มเอาน้ํผ่าเอาหนามมันออกเนี้ยไอพ้พราะความเจ็บปวดเช่นนั้นห้โยมพิจารณาไปถึงปวดจริงมันนี่คือ